หรือชื่อว่าเป็นอริยสัจเพราะเป็นสัจจะอันประเสริฐดุดังที่พระองค์ตรัสว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้พร้อมซึ่งอริยสัจเหล่านี้แหลตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าอริยะเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะก็เพราะบรรลุอริยสัจทั้นอริยสัจนี้ยิ่งใหญ่มากทําให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้นสรุปว่าสัจจะอันประเสริฐเรียกว่าอริยสัจเนี่ยนะ คำว่าอริยะอริยานิอันประเสริฐคือไม่ผิดเพี้ยนอธิบายว่าไม่หลอกลวงอริยะตัวนี้หมายถึงไม่หลอกลวงอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูความที่สู่ทั้งหลายอริยสัตว์สี่เหล่านี้แลเป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัต์ทุกเนี่ยมันมันเป็นทุกวันยังค่ําใช่ไหมมันหลอกลวงไหม ไม่หลอกยังไงก็ชาติทุกชราทุกพยาทีทุกเนี่ยนะมันยังไงมันก็เป็นทุกขศัตร์ทุกขอริยศาสตร์สมุทัยอริยศาสตร์ก็นําเกิดนิโรธอริยศาสตร์ก็สงบระงับมันเป็นความจริงแท้ที่ไม่ได้หลอกลวงวิปริตไม่หลอกลวงเหมือนกับบุคคลเห็นอะไรเห็นพยับแดดเป็นน้ําใช่ไหมอันนั้นหลอกลวงไหมหลอกลวงเพราะว่าไปจริงๆแล้วไม่มีน้ําให้ดื่มะเทน้ําในกระบอกทิ้งเพราะเห็นถนนข้างหน้าเนี่ยน้ําเจิ่งนองไปหมดเลยไปถึงแล้วอดแน่เลยนะ ไอ้ตรงที่มันมองเห็นเป็นน้ํานั่นนะ่ะร้อนนักแลตรงกันข้ามหมดเลยนะยังมายากลทั้งหลายเนี่ยแพ่งไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ที่เห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอริยสัจไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่พระองค์บอกวันนี้ทุกมันก็ทุกจริงๆอ่นะนะแพ่งยังไงก็เห็นหลังที่พระองค์ตรัสอย่างทุกขาริยสัจผู้ใดเพ่งยังไงก็จะเห็นปีละนะสันตาปะวิปรีณามะสังคตะแพ่งยังไงก็จะเห็นแต่สภาพเหล่านั้นนั่นนะ เพราะมันทนต่อการเพ่งเพ่งยังไงก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นน่ะไม่มีอื่นกว่านี้หรอกดูไปเถอะดูยังไงก็มีอยู่เท่านี้แหละคําว่าอริสัจานิสัจจะทั้งหลายความว่าหากแกถามว่าอะไรเป็นอัตถะของสัจจะเล่าก็มีคําตอบว่าทําใดไม่วิปริตเหมือนดังมายากลเป็นธรรมะที่ทําให้เข้าใจผิดพลาดมายากลนี่ทําให้เข้าใจผิดใช่ไหมอย่างนักเล่นกลนะ เล่นกล น, นะโอ้ล้วงก็ไปในหมวกนะดึงแบงค์มาแบงค์ห้าร้อยเป็นฟ้อนฟ้อนเลยนะพอเอาแสดงกลจบมาขายยาขวดละห้าบาทานะยังเคยเห็นไหมนั่นนะโอ้ยมันทําได้วิจิตพิสดารมากนะแต่ว่ามาขายยาขวดละห้าบาทนะมนะันน่าจะแบบฟักมาเป็นฟ่อนฟอนแล้วไปใช้งานอย่างอื่นได้อนะไม่ใช่เลยอนะ่ หรือดุดพยับแดดเป็นดุดตัวตนด้วยการคาดคะเนเอาของพวกเดรัจฉีหาสภาวะไม่ได้อย่างอัตราของเดรัจฉีไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ว่าคาดเอาว่ามันมันนีอะอย่างงี้ยมันเหมือนพยับแดดเลยนะคาดไปอะว่ามันมีอะจริงจริงแล้วมันมันไม่มีย่อมปรากฏแกผู้พิจารณาด้วยปัญญาจากสุอริยศาสตร์เนี่ยวิปริต ถ้าวิเคราะห์ตามด้วยปัญญาจักสุผู้มีปัญญาเขาจะเห็นความจริงเลย น, นะเพราะทำนั่นแหลเป็นโคโจรของอริยญาณโดยประการแห่งสันติความสงบและนิยานะนาออกสักจจะที่ดูแน่นอนตรงนี้สันติเป็นชื่อของนิพพานนิยานะนาออกหมายถึงอริยมรรณะนะนิพพานกับอริยมรรณเนี่ยนาออกจากแดนเกิดแห่งความลาบาก และโดยความเป็นจริงอันไม่วิปริตเป็นความจริงคือเป็นความแท้ความไม่วิปริตนี้เชื่อเพิ่งทราบว่าเป็นอัฐถฐของสัจจะหลุดลักษณะของไฟไฟเนี่ยมีอยู่ลักษณะเดียวคือร้อนปกติของโลกเป็นยังไงปกติของโลกก็เกิดแก่เจ็บตายนะเพ่งยังไงโลกทั้งหลายก็เกิดแก่เจ็บตายก็อยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขเป็นของจริงแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้แน่นอนนะวิเคราะห์ไปยังไงก็จะเห็นว่านี้ทุกอีกอย่างหนึ่งทุกเนี่ยเป็นของทําให้ลําบากตัวทุกข์ขัตเลยนะลําบากนี่คืออะไรปีละนะใช่ไหมเบียดเบียนลำบากเนี่ย นอกจากทุกไม่มีสิ่งใดทําให้ลําบากสิ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นสัจจะเพราะนิยามว่าทําให้ลําบากก็คือเบียดเบียนนั่นแหละไอ้ลำบากก็คือเบียดเบียนอะนะออะไรที่มันจะเบียดเบียนนอกจากทุกเป็นไม่มีนะทั้งทุกนี่แน่นอนแน่นอนนิยามก็คือความแน่นอนว่ามันเป็นของที่ลําบากจริงๆเนี่ย น, นะลำบากจริงๆเลยตัวทุกแต่ว่าทุกอันนี้ไม่ใช่ใครใช่ไหมทุกมีจริงใช่ไหมจริงใครไหมใครทุก ทุกมีจริงแต่ผู้ทุกไม่มีอยู่จริงถามว่าผู้ทุกอ่ะนะโวห์โดยโวหารนี้แต่โดยสภาวะไม่มีเพราะคําว่าผู้ทั้งหลายเป็นโวหารเว้นจากสิ่งนั้นเสียแล้วทุกไม่มีมาจากสิ่งอื่นด้วยเหตุที่สิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์โดยแน่นอนจึงเรียกสิ่งนั้นว่าวิสัติกาวิสติกาก็คือตัณหาว่าเป็นสัจจะเพราะว่าทุกทั้งมวลมาจากตัณหา ถ้าถ้าแบบพูดแบบมองแบบหยาบๆนะว่าความเสียใจของเราใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะความเสียใจนั้นเป็นผลมาจากความชอบใจ น, นะถ้าหากว่าสิ้นความสิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงแล้วนะความเสียใจจักมีไหมไม่มีหรอกนี่ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าถ้าสิ้นตันหาโดยประการทั้งปวงนะการเกิดในภพใหม่จักมีไหมก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดในภพใหม่แล้วความลาบาก ที่เกิดขึ้นมาแล้วลำบากในภพเนี่ยจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเหตุให้เกิดทุกนอกจากตันหาเนี่ยไม่มีตัวเดียวเท่านั้นแหละที่ทําให้เกิดจากทุกพุทธศาสนาเนี่ยสอนว่าตันหาใช่ไหมเป็นแดนเกิดแห่งทุกถ้าไปบอกว่าเป็นบุคคลเนี่ยทําให้ทุกเหล่านี้เกิดขึ้นนะเราจะต้องแก้ยังไงตะตันเหตุแห่งทุกเนี่ยปกติควรละใช่ไหมถ้าเราโยนไปให้ผู้เป็นใหญ่คนหนึ่งเป็นคนสร้างเราขึ้นเนี่ยเราจะกล้าไปละท่านไหม ต้องทำลายนะท่านเป็นคนสร้างข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าเดือดร้อนขนาดนี้นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตันหานั่นแหละเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ความสงบอื่นจากพระนิพพานไม่มีเพราะฉะนั้นความดับทุกข์จึงเป็นความจริงด้วยเหตุที่พระนิพพานนั้นเป็นความดับทุกข์อย่างแน่นอนนะเป็นสภาพที่สงบระงับจากสังขารจริงๆถ้าไม่มีนิพพานนะการสลัดออกจากสังขารจักไม่มี แต่เนื่องจากพระนิพพานมีอยู่การสลัดออกจากสังขารจึงมีทางนําออกนอกจากอริยมรตไม่มีอันที่อื่นก็ใช้คำว่าอะไรนะอ ร, อริยมรตประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นคําว่าเท่านั้นเนี่ยแปลว่ากําหนดแน่นอนว่าทางอื่นไม่มีจริงๆต้องมรตแปดเท่านั้นนะไม่ใช่มรตเดียวนะมรตเดียวก็บรรลุไม่ได้ต้องมรตแปดถ้าจะลดลงได้บ้างก็ระดับทุติยะชานคือลด วิตกออกไปแต่ถ้าธรรมดาแล้วลดไม่ได้นั้นนอกจากอริยมรรคไม่มีเพราะฉะนั้นอริยมรรคจึงเป็นความจริงเพราะเป็นความนำออกอย่างแท้จริงเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าความเป็นจริงอันไม่วิปลาสจากความจริงในธรรมะแม้ทั้งสี่มีทุกเป็นต้นว่าเป็นอัฏะแห่งสัจจะเป็นพิเศษอันนี้เป็นความจริงแท้เลยนะว่าแต่ถ้าเรามองว่าเป็นสัต เหตุเกิดของสัตว์ความดับสัตว์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัตว์นี่ฟังแล้วขัดกันเองไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกถ้าซอยมาละเอียดอีกนี้จกักขู่นี้เหตุแห่งจกักขู่นี้ความดับจกักขูนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับจกักขูเนี่ยนะหรือโสตาขานะชิวหากายะก็ลักษณะเดียวกัน คําว่าคําว่าทุก์เนี่ยเป็นคําที่เรียกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะใช้คําเดียวว่าทุกถ้าปัญญาอ่อนลงมากว่านั้นใช้คําว่าตาหูจมูกลิ้นตายใจยบ้างนามรูปบ้างเวทนาบ้างอาหารสี่บ้างก็แล้วแต่จะเรียกใช้โดยชื่อต่างๆส่วนส ja ัจจะเนี่ยนะทุกขะอริยสัจอริยสัจนั้นมามาดูคําว่าส ja ัจจะชเฉยๆสัจจะในพระไตรปิฎกมีหลายหลายความหมายนะ อย่างเช่นหมายถึงวาจาสั์ก็ได้สัจจาวาจานะวาจาสัพเหมือนว่าบุคคลพึงกล่าวความจริงคือควรพูดให้จริงนะนะอันนี้เป็นวาจาสัพใช่ควรพูดจริงความจริจรงเพ่นเช่นใดควรควรพูดเช่นนั้นเช่นเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นได้ยินก็ว่าได้ยินไม่ได้ยินก็ว่าไม่ได้ยินคำเหล่านี้เรียกว่าเป็นวาจาสัพนะนะวาจาสั์สัจจเวอมาตะวาจา ถ้าพูดความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายไหยหมายถึงพูดอริยสัจนะไปพูดเรื่องอื่นนี่ลําบากนะพูดพูดความจริงบางอย่างอาจจะตายเร็วขึ้นก็ได้ไปเปิดเที่ยวเปิดเผยความชั่วคนอื่นมากๆเนี่ยนะนะอาจจะจริงแต่ว่าความตายก็เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะนะแต่หมายถึงว่าถ้าพูดอริยสัจนะเป็นความจริงละเนี่ยนะนะทำให้ถึงอมาตะาได้นะเนี่ยวาจาสัจนะ วาจาสัตว์หมายถึงว่าเป็นความจริงแท้โดยโดยคําพูดนะคนพูดจริงเช่นศีลเนี่ยมุสาวาตเว้นจากมุสาวาตอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัจจวาจาก็สัจจาวาจาเน้นคําพูดที่จริงแท้นะอย่างที่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะสัจจังเวอมะตะวาจาเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่ว่าอย่างที่เขาว่าถ้าคนพูดจริงเนี่ยนะพูดทุกที่พูดไม่เลือกการไม่รู้ เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณเป็นตน้นแล้วก็พูดทั่วไปหมดนะเขาคนที่พูดความจริงอันนี้นะจริง ท, ทั่วไปเนี่ยอาจจะแย่เนี่ยนะวิรติสัจจะอันนี้ก็หมายถึงวิรติสัจจะสมณพราหมณ์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสัจจะอันนี้ก็คือศีล น, น, น, น, นะนะวิรติก็คือศีลใช่ไหมศีลก็ถือว่าเป็นสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกันส่วนทิฏฐิสัจจะอันนี้เนี่ยคือบสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่เขาบอกว่าโลก เที่ยงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่โลกไม่เที่ยงสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่คําประเภทนี้เรียกว่าทิฏฐิสัจจะมันจริงโดยความเชื่อจริงโดยทิฏฐิจริงโดยความเห็นนะส่วนปรมัตทสัจจะนี่เป็นชื่อของนิพพานและอริยมรรคกว่าสัจจะมีเพียงอย่างเดียวสัจจะที่สองไม่มีซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รู้โต้เถียงกันเนี่ยนะผลสัจจะที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่ ประมตทสัจจะหมายถึงนิพพานกับอริยมรรคนีประมาทสัจจะในพระสูตรประมตทสัจจะในพระสูตรหมายถึงนิพพานกับอริยมรรคถ้าประมาทในอภิธรรมหมายถึงจิตเจตสิกรูปถ้าแบบอภิธรรมมัทสังขะนะถ้าประมตทในอภิธรรมมัทสังหะหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานถ้าประมตทในกระถาวัตถุหมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะถ้าประมตทในพระสูตรหมายถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นคําว่าประมาสกนี่ก็ต้องก็ก็แล้วแต่ที่เหมือนกันนะอย่างเช่นตรงตรงนี้ท่านยกมาจากมหานิเทศว่าปรมัตาสทัศจะคือนิพพานและอริยมรรตอันนี้อยู่ในคัมภีร์นิเทศคือมหานิเทศเนี่ยนะส่วนย่อมปรากฏในอริยสัจสัจจะหมายถึงอริยสัจก็มีเช่นสัจจะสี่เป็นกุศลเท่าไหร่เป็นอกุศลเท่าไหร่เป็นอัพยากตะเท่าไหร่ใช่ไหมทุกขสัจเป็น กุศลก็มีอภุศลก็มีอภพยากตะก็มีอย่างนี้นะก็มีการแยกไปแม้ในสัจจะศัพ์ในที่นี้หมายถึงอริยสัจแสดงว่าสัจจะศั์มีหลายความหมายในพระไตยปิฎกนะหนึ่งวาจาสัจสองวิรติสัจจะสามทิฏฐิสัจจะสี่ประมาทสัจจะห้าอริยสัจในที่นี้ประสงค์เอาอริยสัจนะนะอริยสัจอันนี้เป็นหัวข้อที่เราควรกําหนดจดกรรมนะสุตตมัจยาณ ผู้ใดที่เป็นนักฟังธรรมทั้งหลายฟังแล้วควรฟังให้ออกว่าบทนี้เป็นคำพูดที่เป็นัวนะนี่เป็นอภินญยยธรรมบทนี้เป็นปริญยยธรรมคือฟังธรรมจะฟังจากที่ใดก็าตามฟังจากบุคคลใดก็าตามต้องฟังแล้วแยกให้ออกเป็นสิบหกหัวข้ออันนี้ให้ได้อนนฟังแล้ววิเคราะห์ให้อยู่ในสิบหกหัวข้อได้ผู้ที่ฟังแล้วแยกแยกกาหนดอย่างนี้ได้เรียกว่ามีสุตามายยาณ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะ